วัดตอนบายก็ให้เปิดโบ้อการสอนทำไปทำมามีคนมานั่งกันเต็มโดดถ์ทำเอาข้าพเจ้าหลือยแต่ขณะรู้สึกขินๆอยู่ก็มีเสียงจากเบื้องบนว่าทำไปไอหมูหมูพ่อใช้แล้วต้องทำได้จบบนจบก็นั่งสมาธิกันข้าพเจ้าชื่อกราบองค์พระพุทธศาสนา ขอท่านโปรดคุงท่านท่านที่นั่งอยู่ในโปรดี้ด้วยแล้วเราก็ไปหาท่านแม่ถามท่านว่าทำไมถึงเห็นมือท่านชัดมากท่านว่าท่านคล้ายคล้ายให้พรทุกครั้ง้ี่มาหาข้าพเจ้าแวะมากราบท่านปู่พระอินทแล้วก็ขึ้นมากราบพระพุทธองค์อีกไปไหนก็ไปไม่ถูกได้ขอธรรมะจากท่านท่านว่าที่ทำทาอยู่ก็ตรงจุดแล้ว ธรรมะไม่มีอะไรย่งยากแต่ขอก็จะให้ทุกท่าก็เห็นปรากฏเป็นภาพดวงอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้าท่านแปลกว่าเห็นแล้วให้อู่ ก, กับกายเราว่ามันเสื่อมสลายไปทุกวันไม่มีอะไรคงสภาพจะเป็ยึดที่มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ตกแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ตกอีกจะไปยึดถึงทําไม ออกจากมาี่แล้วพวกเรามากราบหลวงพ่อกันที่สารานวราชท่านว่าให้ข้ า, า, าพเจ้าเสียค่าบูชาคือสิบสองบาทแต่ทําหนเดียวตอนสองทุ่มวงพ่อสวยมโนมัเยี่ยมที่ที่สารานวราชมีทั้งพระทั้งฆราวาสมาฝึกกันด้วยได้ยินเสียงน้อมกันหลายตึง ข้าพเจ้าขึ้นไปกราบพระพุทธกรศสกแล้วลงมากราบท่านเม่จิเข้าไปกอดเอวท่านท่านแล่ตาแม่หัวข้าพเจ้าแล้วว่าเป็นไงวันนี้โดนสอบจิตแล้วลูกนะเดี๋ยวตกลุนกันใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็เกิดไม่แล้วจำคำหลปู่ปานท่านไว้สิใครว่าเราดีถ้าเราเลวซะแล้วเราก็ดีไปไม่ได้ ใครว่าเราเลวถ้าเราดีซะแล้วเราก็เลวไปไม่ได้ที่ลูกทันอยู่นั่นถูกแล้วเราเป็นเด็กต้องอ่อนน้อมข้าไว้ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของคุณของกรรมเองนะลูกนะหลังเสร็จท่านแม่ให้เด็กกราบท่านแม่สีท่านแม่สีมสไม่ตราดอะไรมากก็เลยมากราบท่านสูพระ อ, อินวันนี้เป็นยังไงไม่รู้ไปนั่งกอดขาท่านร้องไห้ใหญ่ดีใจเหมือนจากท่านานาน จิตข้าพเจ้าโครับเต็มที่เมื่อหาหลวงสุปานขอรีวิชาสารจกท่านท่านว่ากําหนดภาพพระอย่างที่เคยทําำนั่นให้เ่่งทําแค่นั้นก็ได้แล้ ว, ว, วระหว่างคุณกระพุ้งตูเห็นนางฟ้าหน้าฉลาดม า, า้อยชมไม้ตาคล้ายๆตป็เชิงด้วยอเราทําทีเหมือนล้อๆยังไงก็ไม่รู้พรนลึกว่าแหนหน้าต า, าหวานจังเขก็ทําเหมือนเดิมอีก เราเห็นไม่ได้การก็เลยถอยมาหาหลวพุทธท่านขอท่านดูนรกเห็นเทวทัตย์เนตัวซีแฉ่หน้าตาในรลดเกล็ปากเหมือนปากเหมือนผีขี้เหร่แหวนหลวนพุดว่าเอาดูแค่นี้พอนะนจะดูเหมือนหลวงพ่อเขาไม่ได้ดูได้แค่หทางๆกราบลาท่านมาหาท่านแม่ฝึกอีกท่านว่าไม่รู้จะไปไหนรู้กลับมาหาแม่อีกแล้ว ทักตืต้อไปไหนก็ไม่ถูกเด้กราบลาพระพุทธองค์ท่านแล้วก็กลับถอนสมาธิแล้วกราบถามหลวงพ่อท่านว่าต่อไปนี้กราบท่านแม่แล้วให้ท่านแม่พาเฝ้าพระก่อนแล้วมาหาท่านสูพ่พระอินขอให้ท่านหาคนพาไปเที่ยวให้แล้วก็พยายามเที่ยวเทวดาหกชั้นรวมสิบหกชั้นค่อยๆดูไปทีละชั้นหลวงพ่อบอกว่า พระพุทธกับสบยล่าพ่อฉันท่ว่าฉัชมีแกได้พบสู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าวันนี้มีพระอาหารหันต์ที่ขจุรามณีเ0็0หงอง่์องพระท่านว่าที่ยังไปกันไม่ได้เพราะหนึ่งหน่อยเกินไปสองตั้งใจจะไปมากเกินไปหลวงพ่อสงฆเคาะคุยให้กำลังใจจนเกือบพลาทุง กลับมาแล้วพวกเราอยู่มาต่อกันที่อาคารสวนสีอีกเจนใกล้เที่ยงคืนจึงนอนตอนใกล้กับห้องนี่หลวงพ่อบอกว่าฉันว่าจะฝึกหน้ม้าพระาให้รัชมีแต่พระท่านมาบอกว่ายังไม่ต้องให้ฝึกอันนี้ให้เข้าใช่ก่อนเป็อนอันว่าพอเฟังแล้วก็รู้สึกให้เหนียวอีกครั้งคิดแต่ว่าฝุกไม่ดีพอท่านจกงยังไม่สอน ก็ต้องใช้ความพยายามฝึกพิธีนี้ต่อไปอีกและคิดว่าที่นี้เจ้าคุณต้องการกรุงเทพเลยตามที่ได้คิดเไว้เพราะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จะขอการไปฝึกที่บ้านอนนอนที่ตรงนี้ไปจนหลับไปวัานอาทิตที่2 8ตคถึง24คนรู้สึกตัวตื่นนอนตอนเกือบตี4 ทันทีที่ลุกขึ้นก็หันขวามไปทางเรูปภาพของหลวงพ่อเหมือนกับท่านไม่ยักชื่ออยู่แต่พอได้สติขึ้นก็รู้สึกใจว่าเดี๋ยวก็ต้องกรับกรุงเทพแล้วใจมันหายหน่อยๆสักครู่ก็ได้ฟังเสียงเทเสียงสายของหลวงพ่อฟังจบก็ได้นะอาบน้ำแล้วก็กระโดอยากเข้าไปช่วยลรงครัวทำอาหารถวายหลวงพ่อถวายพระด้วยความตั้งใจอย่างแรง เขาเห็นว่าเดี๋ยวก็กลับล้วได้ทำอายสนองคุณท่านบ้างดูจะมีกำลังใจดีขึ้นทาำกักเศษกำลังช่วยเขาจัดของหวานกับแม่ชีซีก็ได้ยินหลวพ่อประกาศเรียกร้องคุณตาลง ม, ม, ม่อมให้หาดอกไม้สามสีทุกสามดอกเทียงหนักบาทหนึ่งเล่นกับมงนหนึ่งสลิลและมาหาท่านที่ห้อ ง, องพักตอนประมาณ8ปดโมงคร่งถึงก้างเช้า พอท่านประกาศจบก็คิดว่าอ า, าสุทสทำไรดีล่ะไม่แน่ใจว่าจะทำตามที่ท่านสอนได้ดีหรือเปล่าก่อนไปพบหลวงพ่อตามเวลาถูกป้าหลวงม่อมอและข้าพเจ้าก็ลดกัมทานสมาธิหน้าที่พุชาอาคารเสริมสีข้าพเจ้าอาธิษฐานต่อองา์พระพุทธกัสสบว่าการฝึกครั้งนี้ ถ้าลูกจะได้ น, นไปใช้ในทางเป็นประโยชน์ต่อชาติาศาสนาและข้ามหากษัตริย์แล้วก็ขอให้ฝึกได้แต่ถ้าลูกจะนําไปใช้ในทางเป็นโทษต่อไปภายภาคหน้าก็ขออย่าให้ลูกเสียงรู้ได้เลยอธิษฐานจบก็ถามองค์พระพุทธเจ้าจบท่านว่าการฝึกครั้งนี้คงจะคงจะต้องมีการได้เห็นแสงสว่างอะไรสักก่อนถึงจะฝึกไปได้ ตารที่ได้รู้หมากจากหนังสือผู้รู้พระกรรมฐานแต่ไม่กลัวไปว่าถ้าเราไปเห็นแสงแล้วเราจะไม่แน่ใจว่ามันจะสว่างมากพอจึงได้กล่าเปลี่ยนทางท่านว่าแสงนั้นควรจะสว่างขนาดไหนจึงจะมากพอในการฝึกหน้าว่าพระธาบ้านท่านก็แสดงให้ปรากฏตัวใสเจ้าปะกายพลุที่หน่าผาเข้าไเจ้า ท่านกล่าวว่าถ้าเห็นสายเจ้าขนาดนี้เรียกว่าติดทรงเป็นที่แล้วใช้ได้ข้าพเจ้าไม่ลืมแยม้มกราลท่านแม่ท่านแม่ว่าทำได้แต่ใจก็ยังหวันว่นวั่นว่าควรจะทำได้ไม่ดเวลาประมาณแปดมงยี่สิบนาทีคุณป้ากับข้าพเจ้าก็ามานั่งรอหลวงพ่ออยู่หน้าห้องท่าน เห็นท่านนอนอยู่พวกเราก็เลยนั่งรอกันระหว่างเราก็ชวนคุยถึงความเก่าๆพ่อให้หายตื่นเต้นเขาเจ้าเองรู้สึกตื่นเต้นมากแต่คุณป้ามั่วม้วนเฉยๆข้าพเจ้าคิดแต่ว่าแรงว่าจะทันได้ไม่ไม่ถูกคือเท่าที่หลวงพ่อท่านคิดไว้หลวพ่อท่านบอกว่า จะฝึกก็มาพากาให้เพคิดว่าจะฝึกจะไปกันได้ทพ่าว่าอย่างนั้นระหว่างที่มารอพระเจ้าก็เชิงกันคุนูอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องสักครู่หลงพ่อก็ลงกออกมาท่านบอกว่าเห็นท่นนอนทำไมไม่เลี่ยกันเห็นไม่ยังไม่มากันก็เลยไปนอนคนจริง เป็นที่รู้กันอยู่ไม่มีใครกล้าไปรบกวนท่านแน่นอนได้เห็นว่าท่านนอนอยู่อย่างนั้นหลวพ่อก็พูดเป็นเชิงทักทายท่านให้เข้าไปในห้องท่านห้องนี้เป็นห้องทํา ง, งานของท่านควมพูพื้นเป็นสีแดงสวยส ด, สดรู้สึกเหมาะในการทำกระสีมากข้าพเจ้ายชักอยากดูมองพลงินเป็นข้งแรกที่ที่ข้าพเจ้ายได้เข้ามานั่งในนี้ เมื่อสักครู่ก็หายตืนเต้นท่านพูดให้ฟังว่าฉันมันติดนิดสัยที่เกียรติฉันอาตันย่างก้าพุทธเจ้าที่เกียรเก็บวิชาความรู้พุทธพุทธเจ้าท่านว่าการตกติดวิชาความรู้ไม่มีสำหรับเราผมพ่อท่านพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยนและลงอักรแล้วมือพุทธายะ ก่อนจะนั่งทำสมาธิหลวงพ่อให้ท่านทำน้ํำมนต์ก่อนแล้พรม้มให้พวกเราที่จะฝึกกันดอกไม้บูชาของข้าพเจ้าวันนี้ก็เก็บอาจากกรีนทางข้างที่พักของหลวงพ่อได้ดอกพุทธชาติบานไม่รู้เยแนละบานชื่อมหลวงพ่อให้พวกเราซึ่งตะลอดมีที่ยำภายและที่หมอ้โยดูเพื่มาอีกสองคนทําให้ดูไม่เบ่งเครื่อเกินไปนัก ให้พวกระจุดธูปบูชาพระแล้วก็มาสุดเทียนในขันหลวงพ่อให้กระดาษติดตาให้พรณาหน้านะมะพาทะข้ า, าพเจ้าก็เริ่มกำหนดแสงนั้นทันทีที่แรกสว่างแต่จิตก็บอกว่ายังไม่เท่าที่พระพุทธกษัตริท่านบอกจึงกำหนดจากภาพนั้นสักครู่ก็เห็นแสงจ้าและได้ยินหลวงพ่อว่าถ้าเห็นแสงแล้ายไปกราบพระพุทธเจ้า ก็พรเจ้าก็กราบพระพุทธกรสอกราบอยู่อย่างนั้นเห็นองค์ท่านสายเป็นตะกายพพุ่งรอหลวงพ่อสั่งสักครู่ท่านเดินมาถามว่าสว่างมากไหมตอบท่านว่าสว่างชอบขัดรอจนท่านถามว่ากราบแล้ยังต่อไปนี้ขอบันทึกเป็นแบบถามตอบจะสะดวกดีกว่าก่อนที่ได้จะได้เที่ยวหลวงพ่อให้กราบถึงเด็ดองค์ปถมก่อน ท่านถามข้าพุทธเจ้าว่าที่กราบพระพุทธเจ้าในองค์ปฐมใช่ไหมข้าพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธกษัตริย์เจ้าข่าหลวงพ่อว่าราชินมีมันไปหาปู่หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มากราบสมเด็จองค์ปฐมตามหลวงพ่อสั่งสมเด็จองค์ปฐมท่านปากว่าที่นั่งอยู่ี่ลูกชั้นทั้งนั้น มันฝูกเข้าหรือบท้ อ, อยและไม่ต้องน้อยใจหลวงพ่อถามท่านว่าเพวกนี้จะมีทางฝุ่นไปกันได้ไหมไปกันได้หมดไหมท่านว่าได้ให้พยายามให้มากๆกว่านี้กลับรู้สียงท่านยินท่านว่าก็อ๋อยเป็นลูกท่านแต่ไม่ใช่ลูกมาเห็นสีนเองลงสู่ช่วท่านก็มาท่านชี้แนวทางลงมาที่ทุกคน การตึงแสงเหมือนเทพนิพ ต, ตุห้คล้ายเป็นการให้พรหลวงพ่อให้กปกราบหลวงปู่ตื้อตอนเข้าไปนี่เหนท่านนอนอยู่เข้าไปเจ้ากราบแต่ท่านก็นลุกขึ้นนั่งตอนลุกนั่งนีถึงชุดเต็มองท่านเลยตัวกายเ พ, พรียวพราวหลวงพ่อบอกว่าขี้เกียจนี่เอาแต่นอนหลวงปู่ตื้อบอกว่าไม่รู้จะทําอะไรหลวงพ่อบอกว่าอ่อนดีๆไม่ได้เทพนี่นะ เมือ่อการาบหลวงตาแสงเห็นนิมันของหลวงตาท่านดูดแถวต้นผัดมาจากหลวงพ่อมาอีกทางซ้ายมือท่านว่าเรื่องสถานที่ไม่ต้องห่วงเมื่อปอยถามท่านว่าจะขยายสำเร็จไหมปอยถามว่าเรื่องปัจจัยท่านบอกว่ามันก็มาเองนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าขอบพระคุณที่ท่านให้สถานที่เป็นที่ปฏิบัติกัน หลวงตาแสงว่าช่วยเต็มที่เลยหลวงพ่อฝากฝังท่านว่าให้ฉันช่วยคุณลรคหลานด้วยนะให้ปฏิบัติกันในระหว่างที่มาทําพระกรรมฐานทําให้ไหทำจิตให้สบายสบายนะหลวงตาแสงบอกว่าไม่ต้องห่วงหลวงพ่อให้มากราดท่านแม่สีข้าพเจ้าบอกหลวงพ่อว่าเห็นท่านแม่ทะลาะองน์สีเขียวกับทองคือนุ่งเขียวห่มทองหลวงพ่อบอกว่า ขอแม่เขาดูเต็งเยอะเลยนะท่านแม่บอกว่าจี้จี้คุณพ่อเล่าว่าสมัยเป็นอดีตชาติแม่แกเขาตู่เขาเก่งกว่าฉันนะไม่ใช่ฉันว่าเขาเขานม่แหละสอนฉันเขาเก่งท่านแม่ว่าเอย่ามาพูดเรื่องความหลังคุณพ่อบอกว่าไม่ใช่อะไรเราพวกลูกคนจะได้รู้ท่านแม่ก็ย้อนว่าแล้วที่ว่านะว่าถูกหรือเปล่าล่ะคุณพ่อว่าก็ถูก ถ้หลงพ่อก็ยึดคนหัวเราะข้าพเจ้าผูกฝึกผู้สึกคอชยชื่นชมยินดีในเหลยงพ่อและท่านแม่แนมะ่ลึกคาไจก็อดตืนต้นสันไม่ได้ใครบ้างที่ได้ยินแล้วจะไม่อยากตามพ่อตามแม่ที่ท่านแสนจะน่ารนะักไปที่จนถึงที่สุดท่านลงมาเราก็ลงมาถ้าท่านขึ้นแล้วใครจะไม่ยอมขึ้นก็ไปเลยท่านาระ ก, กุณฑลีเทพบุตร ขันขอเห็นท่านท่านก็มายืนตรงมากพระเจ้าจุกตอนนั้นว่าท่านสวยท่านหล่อเพราท่านเห็นท่านยืนแต่ท่ามากท่านมากดูไม่มีใครเรียนเหมือนพอชมท่านท่านยิ้มนึกนึกยิ้มเพียงนิดนิดเดียวเท่านั้ม่ยิ้มแย้มไร้ท่าไร้ทางหมวงพอบอกว่าเออแต่งกับเไอ้เปี๊ยกเอาไอ้เปี๊ยกเอาไหมก็แปลว่ากันสมุกสนานตอนนี้ หลงพ่อให้มาดูที่สะบกกรณีด้านหน้าสะก็จะเจ้เห็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งทั้งทองทั้งเพศต้งยุปรยับมีสะเห็นหนางฟ้ากำลังส่งสนามกันดูน่าสนุกไม่มีการแบ่งเขตและท่าไหนของฉันท่าไหนของเธอเราทั้งหลายดูรักใครกันจริงๆมีนาหนึ่งเผยโฉมยื้นต้นให้เห็นที่ขอบสะ ปรากดว่าเป็นเพื่อนสนิทถามชื่อเธอเธอว่าชื่อเธ อ, อสุดบาราวาดีเธอว่าพวกเธอก็รอพวกเราไปเหมือนกันกต่จะตามไปจะอยู่คอยช่วยก่อนผมพ่อว่าดีจริงๆเธอเป็นเพื่อนแท้ของพวกเราจริเๆทั้ด้วยเห็นเพื่อนตามพ่อลงมาอย่างอุตส่าห์รอไม่รีบโกรธ อ, อ้าล้ำหน้าก่อน เดินไปเดินมาท่านแม่จิตลงมาโปรยสงเคราะห์ด้วยวันนี้เห็นฉรวองค์ของท่านแม่เป็นทองประสมเพชรมิจฉุดงามจนหาในมือมนุษย์ไม่ได้จริงๆท่านลูกหัวเลื่อยสายตามภาษาแม่ลูกหลวงพ่อว่าท่านรักขวัญลูกความจรงท่านคนคิดว่าท่านรอเวลานี้มา น, นานแต่ลูกมันดันง้อกันอยู่ตั้งหลายปีทั้งๆ ท, ที่ได้ทราบข่าวท่านาจากหลวงพ่อนานแล้ว หลวงพ่อว่าให้ท่านผ่าเดินชมสวนนันทวันใช่ไนหะมหลวงพ่อถามว่าทางเดินเป็นสีอะไรข้างเจ้าตอบหลวงพ่อว่าเป็นทองแต่ไม่ใช่ทองล้ว น, นเป็นทองละเอียดเอะละเอะละเอะผสมเพ็บละเอะละเอียดปนกันคล้ายๆอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเออใช่ใช่ท่านแม่ผ่านเดินไปเรื่อยๆดูสบายใจจริงๆ ดูท่านไม่รีบร้อนอะไรเดินไปเย็นๆ เ, เหมือนเราเดินทอดนือเดินเื่นกันสองข้างทางมีดอกไม้กระจุมก็ะิ๋นดอกสวน่ารักหลวงพ่อบอกว่าท่านแม่ถสีก็ชอบดอกไม้เล็กๆตานเดินนี่มาพบนางฟ้าที่ตามที่ประวัติท่านกล่าวไว้ว่าท่านถวายดอกบัวพระพุทธเจา้าผลบุญอันนี้ได้เกิดมาเป็นนางฟ้าเธอชื่อสาสกี พอข้าพเจ้าเห็นเธอครั้งแรกคือ น, นั่งขยิบขยิบก้มหน้าเดจกดอกไม้อยู่เมื่อท่านแม่จิตเดินผ่านไม่หยุดคุยด้วยดูเหมือนเป็นการทักทายเฉยๆท่านสาสจีดูจะเกรงท่านแม่แต่ท่านแม่เมตตาเธอมากข้าพเจ้าเห็นแนละ้วทำไมไป็นไม่สงสารได้ก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่เห็นรุ่งมานของเธอสูย ก, กว่าพระราชวังอีกและเธอมีบริวารถึงสามร้อยบอกพ่อว่า นับไปเยี่ยมแล้วไม่ต้องอายหรอกเพราะว่านางฟ้า อ, องค์นี้เป็น อ, องค์ที่มีบุญบารมีน้อยที่สุดเคืรหว่างเป็นมนุษย์นี่เป็นคนยากจนมากเวลาพระท่านมาก็ไม่มีอาหารจะถวายเวลามีอาหารถวายท่านพระท่านก็ไม่มาวันสุดท้ายนี่ท่าน น, นางสาวศาสดิ์ ท่านสาธิกีนี่ทราบว่าพระจะเสด็จพรจะพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านที่ทตำบลที่บ้านตัวพักอยู่ไม่ว่าไม่มีอะไรจะถวายพระก็จะไปเด็ดดอกโบสถ์ถวายพระติดตั้งไว้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะได้ถวายก็ามาเดินก็ตายที่ก่อนผลบุญด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์แท้ๆอย่างนี้ยังได้มาเกิดเป็นนางฟ้า ทแม่พาเดินเย็นเย็นหมูสบายใจท่านคงเมตตาพามาเดินให้รับรู้บรรยากาศบนนั้นบ้างเพก็เห็นโลกทุกโศกกับโลกมามากแล้วก็ได้หึงพ่อให้มากราบพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรข้าพเจ้านึกขอได้พบท่านก็ก็เห็นท่านทันทีก็เห็นท่านครั้งแรกมีความรู้สึกบอกไม่ถูกมันอยากจะร้องไห้ ก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อค้าหนูเห็นขโมกคราแล้วอยากร้องไห้หลวงพ่อว่าเอาอยากร้องก็ร้ององนุแค่นั้นก็ต่อยหอกมาสักครู่เดียวกาเจ้าก็บอกหลวงพ่อว่าท่าว่าอย่ามัวแต่มานั่งร้องเสียเวลาคนอื่นหลวงพ่อก็หัวเราะหลวงพ่อว่าเอาไม่ร้องก็อย่าร้องท่านก็หัวเราะเล่นวันนั้นดูเล่นก็ มีกันสนุกหลวงพ่อท่านเมตตาตัวสงเคราะห์ให้พวกเราได้สนุกสนานเหมือนได้พ่อเพื่อนเก่าๆญ า, าติเก่าๆท่านมโมคลาท่านว่าเรื่องวิสเดชนะเล่นกันพอหอมสากหอมคอพระเจ้าเข้าไปกราบท่านท่า น, านเป่าให้ที่หัวก่อนกราบหลงพ่อให้มากราบสมเด็จชองปัจจุบันท่านตรัดว่ามาหาชันปุดท้ายหรือ หงพ่อหัวเราะหลวงพ่อบอกว่าให้ขอธรรมะที่ท่านจะเปรดหสวงพ่อให้เป็นพิเศษท่านจะโปรดไหมท่านปรัสติดท้ายซึ่งท่านว่าดิเลสหมดใจให้ตัดขันห้าตอนกลางคืนพวกเราก็มาฝึกกันที่สาลานรราชพระพเจ้ารู้สึกว่าสมเด็จองคปมท่านจะเดชมาแทนหลวงพ่อองค์แรกเลยตั้งแต่ตอนท่านสันนนกเค วันนี้หลพ่อว่าขา้าพเจ้าว่ารัตีิกาลไม่ได้ไปชั้นจ่าตุ้มหาราชใช่ไหมรับท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านยินแล้วว่าฉันรู้ท่านพูดแค่นี้ข้าพเจ้ากล้าสุดหึงใจรู้สึกว่าเราไปไหนไหนนี่พ่อท่านรู้หมดเป็นการทดสอบตัวเรากับท่านไปด้วยว่าเราไปจริงท่านว่าอย่างเที่ยวไม่เป็นไปเฉยๆนี่มันธรรมดาไป ถ้าไปต้องค้นเห้ทั่วให้ถามท่านทําความดีอะไรมาถึงมีวิมาอย่างนี้อย่างนั้นจะได้เป็นบทเรียนเป็นข้อเตือนใจของมนุษย์ทุกวันนี้วันนี้ทั้งคุณป้าและม่อมและข้าพเจ้าก็ไปเที่ยวที่กล่าวอีกนั่อแหละที่เพิ่มก็คือข้าพเจ้าเข้าไปกราบหลวงปู่สดท่านพ้าขุนศรีท่านพ่อนาเรสวนท่านพ่อขุนรามและท่านเทพทิพย์ก่อนจะกลับ พ้องพากุงพ่อสอนว่ากลับไปนี่อย่าเพิ่งไปรับภาษาชาวบ้านนะมีอะไรต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนถ้าท่านอนุญาตจึงช่วยเหลือได้และท่านพูดให้พูดแค่ไหนก็ต้องพูดแค่นั้นและอย่าถามซ้ำวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าขึ้นสิบห้าขาวันนี้ขึ้นมากราบสมเด็จองค์ระถมและขออนุญาตท่านลงมาเที่ยว ท่านว่าเออไปเถอะลงมาชั้นจ่าตุ ก, ก่อนตามที่หลวงพ่อบอกเมานิดเดียวก็คิดถึงท่านแม่จิตแวกราบท่านก่อนกราบท่านแม่สีด้วยท่านให้พี่พรที่พามาเที่ยววันนี้ดูพี่พรที่จะสุ ข, ขุมขึ้นเหมือนเกรงเกรงท่านแม่สีอยู่ท่านพาเที่ยวดูวิมานที่ดาวดึงข้าพเจ้าก็ไล่ไปเนยตั้งแต่หลังที่เห็นใกล้ที่สุด ดูกันมาเรื่อยๆตามที่ถามท่านทั้งพระนามท่านและความดีของท่านองค์แรกที่ถามท่านท่านว่าพระนามท่านคือโสมาตดีท่านว่าบุญผลกุศลที่เห็นเด่นๆชัดก็คือท่านถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเท่านั้นนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ทําบุญอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนักองค์ต่อมาท่านว่าท่าน ชื่อนันทะข้าเจ้าเรียกท่านว่านันะทะเทพบระบุท่านว่าท่านชอบทําอาหารมากทำข้างในก็อดนึกแสดงและเรียนพระไม่ได้ทั่วทรงท่านโสดาบันทรงดูเป็นทองและเพชระละเอียดยงามดีจังถ้าให้ข้าพเจ้ายนโฉมท่านอยู่นานเหมือนกันพอจะไปดูที่วิมานหลังอื่นท่านก็ยังมาให้เห็นอีกก็เลยคิดว่าท่านเยังไงยังไงที่แล้ว เลยรียกราบท่านถามนิมานหลังถัดไปจะเห็นถัดไปได้ออยังไงก็ไม่รู้ไปเห็นว่าพระนางสามาวดีท่านมาท่านสวยเป็นไปหมทุกส่วนท่านว่าเธอรู้ประวัติฉันแล้วนี่ไม่ต้องบอกกันแล้วแสดงว่าท่านมาให้ขึ้ในใจเฉยๆนัน่ว่าเป็นความกรุณาของท่านมีนางนางฟ้าองค์หนึ่ง ข้าเจ้าได้ถวายอุทิศส่วนกุศลไปให้พอมาเจอท่านขึ้นบนนี้ท่านก็เลยส่งผ่านดอกไม้มีดอกไม้มาส่งให้ท่านบอกว่าขอบเบียความรู้สุกว่าท่านได้ขอบคุณที่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ท่านต่อมาก็ได้มาที่ที่ชั้นจ่าปุกท่านพี่พรที่พามาเที่ยว การเที่ยวอะไรชั้นต่างๆนี่พ่อบอกว่าให้ศึกษาไปด้วยเพื่อจะเป็นบทเรียนกับเราว่าบนนั้นท่านมีวิมานสวยแค่ไหนทําความดีขนาดไหนเพื่อที่จะได้เป็นข้อเตือนใจสําหรับเราในการกระทาความดีว่ามันมีผลไปถึงแน่ๆแล้วแต่ว่าบารมีใครสร้างสงมามากแค่ไหนการมาเที่ยวชั้นจ่าตุกนี้จะขอบันทึกใน ม้วนต่อไปเพราะกล ว, ว่าจะไปขาดตอนทุ่กางคันชั้นจากุลนี้เป็นชั้นที่ชั้นสวรรค์ชั้นล่างสุดมีท่านท้าเวสุวรร์เป็นเรียกว่าเป็นผู้คุมชั้นนี้ทั้งหมดถ้าพเจ้าจะขอแล้วรายละเอียดในเทพม้วนถัดไป